ธรรมบทแปลเรื่องที่172เรื่องพระอนาคามิเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารพพระเถระผู้อนาคามีองค์หนึ่งตรัสพรธะธรรมเทศนานี้ว่าชันดัจยาโตเป็นต้นตอน พระเถระบรรลุอนาคามิผลความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกสัตธิวิหาริกถามพระเถระนั้นว่าท่านขอรับก็การบรรลุธรรมพิเศษของท่านมีอยู่หรือพระเถระละอาอยู่ว่าแม้พวกขหัหชนก็ยังบรรลุพระอนาคามิผลได้ ในเวลาบรรลุพระอรหัสต์แล้วนั่นแหละเราจะบอกกับสัธิวิหาริกเหล่านั้นดังนี้แล้วไม่กล่าวอะไรอะไรเลยทำกาละแล้วเกิดในเทวโลกชั้นสุดถาวารลำดับนั้นพวกสัติวิหาริกของท่านร้องไห้คร่ำครวญไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคมพระศัสดาแล้วร้องไห้อยู่ทีเดียวนั่งแล้วนะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศัสดาตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอร้องไห้ทําไมภิกษุอุปชัยยะของพวกข้าพระองค์ทํากาละแล้วพระเจ้าค่าพระศัสดา ช่างเธอภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าคิดเลยนั่นชื่อว่าเป็นธรรมที่ยั่งยืนภิกษุพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พวกข้าพระองค์ก็ทราบอยู่แต่พวกข้าพระองค์ได้ถามถึงการบรรลุธรรมพิเศษกับพระอุปัชฌายะท่านไม่บอกอะไรอะไรเลยทำกาละแล้ว เหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงถึงความทุกข์ตอนลักษณะของผู้ชื่อว่ามีกระแสในเบื้องบนพระสัสดาตรัสว่าอย่าคิดเลยภิกษุทั้งหลายอุปชายยะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วเธอละอายอยู่ว่าแม้พวกครหอัด ก็บรุอนาคามิผลนั่นเราต่อบบรุระหัดแล้วจึงจากบอกแก่พวกสั ธ, ธิวิหาริกนั้นไม่บอกอะไรอะไรแก่พวกเธอเลยทากาละแล้วเกิดในชั้นสุทธาวาสวางใจเสเถิดภิกษุทั้งหลายอุปชายยของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวกเกาะในกามทั้งหลายมีกระแสในเบื้องบน ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าชั่นดจาโตอนักาเตมานาซาจะภูโติยากาเมสุอปติบัตจิตโตอุทังโซโตติวุจติภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันใคร บอกไม่ได้พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีผู้มีจิตไม่เกี่ยวกเกาะในกามทั้งหลายก็ดีท่านเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าชั่นดะยาโตความว่ามีฉันท้าเกิดแล้วโดวยอำนาจความพอใจ ในความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำคือถึงความอุตสาหะแล้วบทว่าอนาคฆาเตคือในพระนิพพานแท้จริงพระนิพพานนั้นชื่อว่าอนัขาตะเพราะความเป็นธรรมชาติอันใครๆบอกไม่ได้ว่าอันปัจจัยน้นธรรมหรือบรรดาสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้น เห็นป่านนี้บาทประกาศาว่ามนาซาจะผุโตสิยาความว่าพึงเป็นผู้อันจิตที่สัมพยุดด้วยมรรคผลสเบื้องต่ำถูกต้องแล้วคือให้เต็มแล้วบทว่าอปติบัตจิตโตความว่ามีจิตไม่เกาะเกี่ยวในกามทั้งหลาย ด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามิมักก็ดีบทว่าอุทังโซโตความว่าภิกษุเห็นปานนี้เกิดแล้วในภพอวิหาถัดนั้นไปก็ไปสู่อกคนิธภพบด้วยอำนาจปฏิสนธิท่านเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนพระอุปชายะของพวกเธอ ก็เป็นผู้เช่นนั้นในการจบเทศนาภิกษูเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วในรหัตผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระอนาคามิเถระจบ